ไ, ไปปฏิบัติเมไรลองไปอยู่วัดตาสิดใจไหมก็ต้องกีบางถีบางหล่อเนะี่ยที่ไรดีไหมสะทายที่เขาก็ดีนตะ่แต่ว่าโยมๆยังไม่ดีพอ <c oughs> พอนั่งแ่้วนั่งคือควอมัเป็นป่าเป็นปูเองป่งปาปูเราต้นไม้ก็กกยังไม่ได้ว่าสูงทั่ว สติานี้หันกองโยมก็นเองนี่จะเนปรีโยชน์ของป่าเมื่อเราได้ปอยู่ในที่ที่ไม่ได้เป็นป่ามันมีความรู้สึกแตกต่างกันทางทส่องบมันก็จะทาให้ใการปฏิบัติ ม, มั ง่ายี่ได้ผลมากขึ้นผ่าสถานที่ที่ไม่ค่อยสงบนะถ้าต้องหาสถานที่ ท, นนที่สงบมันนับจะไม่สบายสถานที่ะบายมันน่าจะไม่สงบ แต่เขาขักขุดอะไรไม่ดีก็มีอย่างนี้แหะแตเขต้องเลือกตัวนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่สบายท่านก็ไม่สงบตั้งแเลยต้องออกจากวางังไป่อยู่ในป่าที่สงบแต่นี่ก็ไม่สบาย เราต้องยามเราต้องเลือกระหว่างความสบายใจกับสบายความสบายกายอนีน้สําคัญกว่ากันความสบายกายมันก็ไม่นานมันชั่วคราวต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายต่อให้อยู่ในวันมันก็ไม่สบาย ความสบายใจนี้มันควรจะสบายใจไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บนร้อไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายความสบายใจนี้มันจะไม่หลังไม่ไม่ดิ่นรนเสื่อมไปตามความเสื่อมของร่างกาย พราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสบายใจไม่ว่าต้องคิดว่าเราเหมือนคนแก่เหมือนคนเจ็บเหมือนคนตายเราอยากไปหวังอะไรมาจากความสบายทางร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ ว, วเราก็จะสามารถไปหาที่อยู่ที่สมงบที่จะทําให้เราสบายใจได้ เราคิดว่าเราเป็นคนแก่แล้เป็นคนเจ็บแล้วเป็นเหมือนคนตายแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ไม่สามารถหาความสบายทางร่างกายได้แล้วยังนย้อยู่แบบไม่สบายทางร่างกายได้เเวลาแก่นี่นไม่มีทางเลือก มันต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันต้องลำบานลำเลียจะทำอะไรหนึ่งไม่อยู่ย็มไม่มีอะไร <c oughs> แต่เรามาสละความสบายทางร่างกายเพื่อมาหาความสบายทางจิตใจเพราอความสบายใจนี้คุ้มค่ามากกว่าความสบายกาย ถ้าสบายใจแล้วถ้าไม่สบายทางร่างกายก็ไม่ไม่เดือดรคือความไม่สบายทางร่างกายนี่มันน้ำหนักมันน้อยกว่าความสบายทางจิตใจถ้ามีความสบายใจแล้วความไม่สบายของร่างกายนี้จะไม่เป็นตัญหาจาไม่มาลบล้างความสบายใจได้ เดิทางตรงกันข้ามถ้ามีินทางสบายใจแต่ถ้าใจไม่สบายความสบายทางร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรกันถต่ความไม่สบายใจใทางทางใจนี้กระดกไปหมดยันกำลังฉลองงานวันเกิดกัน มีคนส่งข่าวมาว่าคนนั้นเขาไม่ตายไปกำลังสบายทางร่างกายกำลังเพียงกำเดินสยบสนานน้องรำทำเพลงความรถามไม่ดีว่าคนนั้นคนนี้ตายไปความสุขความสบายทางร่างกายหายไความไม่สบายใจออกขึ้นี่ได้ถาวว่าบ้านมีไฟไหม้ สมข่าวมารามา้วสนุกสนานกันที่โรงแรมที่บ้านไฟย อ, ย อ, อ, อย่างไร ไ, วว ไ, ไ, มไม่ไมไม้ไ ม, ไม่สบายใจทุกใจแค่ไหแต่คนที่มีความสบายใจน่าจะได้ขาวว่าบ้านมาาไม่แปลงตามนั้นก็เฉย ไม่เดือดร้อนอภาคสบายใจเลยถ้ามันถึงขีดมันแล้วมันจะไม่เดือนร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของตนวเองร่างกายของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอหมอลกไปรบมาเลยอย่าต้อง ตายไปสามเดือน <Yeah. S 1> ใจก็ไม่เกือดร้อนใจนก็สบายดนั้นเราเราต้องมาสูว่าเราจะต้องมาถึงจุดวันหนึ่งที่เราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจต้องตาย <Yeah. S 1> เราจะไม่สา ม, มารถหาความสบายทางร่างกายได้แต่ถ้าเรา มีความสบายใจเราจะไม่เดือดร้อนตอนนี้เร า, าคิดว่าเราแก่เราเจ็บหรือเราตายเราไปหานเราไปหาความสบายทางร่างกายไม่ได้แล้วเราต้องอยู่กับความไม่สบายทางร่างกายจะไปอยู่ในตาในเขาไปอยู่สถานที่ปฏิบัติที่่านไกลจากความสะดกความสบาย ทางร่างกายเช่นไปาอยู่ปฏิบัตินอกจากสถานที่แล้วเราก็ยังต้องบังคับการจะทำของเราให้เหมือนคนคนแก่คนตายคนเจ็บก็คือการถือศีลแปดถือศีลแปดก็ไม่มเยอะหป็นคนตายนอนจากแฟนไม่ได้แนละ วเวลาตายนี่นานกับแฟได้อพุทธเจ้าบอกให้เราทำตัวเหมือนคนตายการซื้เสินิษานี่เหมือนกับการทำและยองตายงางกับแฟนไม่ได้นะกินข้าวเย็นไม่ได้นะแต่งานเี้งไม่ได้ทำงานเลี้ยยามข้ามคืนไปดูเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไป แต่เนื้อแต่งตัวศพเขาไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวให้หรอกเวลาตายแล้วอย่มากเขาก็ละอย่าาเขาก็อาบน้ํำศพให้หน่อย้วเขาไม่เอาช่างทําผมช่างทําหน้ามามาแต่งศพ ก, กันเพราะแต่งกันก็ไม่มีเครื่องแต่เลยเกิดป่าว ถ้าเป็นศกของา ศ, า ศ, ศาสนาคริสต์ก็จะปล่สาวโลงให้ดูเขาก็จะแต่แต่งหน้าแต่งตัวให้ตอนน้ครั้งหน้าที่เราเห็นศกนี่เป็นอันนี้เป็นเด็กอายุประมาสักสิบสองขวดมีเพื่อนที่ลงเรียนตายไปเขาคริสเาเป็นคริสต์ก็เลยมีศาสตร์มีพิธีทางพริษเวลาที่เราไปงานศกเขาจะเปิดสาศกแล้เราไปเขาศับโศก ก็จะเห็นว่านอนแต่เขานอนเหมือนคนหลับอย่าเงี่ยแต่หน้าตาเขาก็เหมือนกับมีเครื่องสัมมาแต่งหน้าให้มีมีสีสันมีการหวรีผมใสายสู่ถูกเล็กทาย<ม>นอนดูเหมือนคนเป็นเหมนคนนอนหลับแต่ของเรานี่ยส่วนใหญ่เราปิดฟ้าลงแต่ แล้วลาไงานส่งราเห็นแต่รูปตอนที่ก็ยังเป็นอยู่นะรูปน่าจะตายถ่ายตอนรูปตอนที่เขาตายมาตั้งไว้ที่นั่นให้นอกโรงศพจะได้เห็นของจริงคนละคนแล้วลรูปกับคนที่อยู่ในโรงศพเป็นคนละคนแล้วนไมันต้องถ่ายตอนที่ตายแล้วก็เอามาติดไว้ที่หน้าโรงศพถ้าไม่อยากให้ดูของจริงก็ดูรูปภาพพวกอย่างนึ่น จะได้เห็นความจริงของร่างกายคนที่ถือสิ่งแต่งด้วยก็เหมือนกับสมมติตัวเองว่าตายไปแล้วไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่แต่งหน้าทาปะไม่ใส่เสื่อผ้าสวยสดงดงามไม่ไปที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่นอนบนทห่งหนาๆไม่นอนในโรงในมงวัดเขาก็มีโรงให้ ผู้ปฏิบัติทำนอนในโลงกันจะได้ทำความเตรียมตัวเตรียมใจเราตอบไป น, นี่คือที่อยู่ของที่อยู่สุดท้ายก่อนที่เขาเจะเอาหน้ากาไปเถาเคยไปร้อยขาไ ป, ไปซื้อลงสงมาทั้งมงวางไว้ในบ้านวันพักเราลองเข้าไปนอนในโลง ถือิ้นแปดแล้วก็นอนได้รงอ่ามท้าธรรบ่อยๆนห้มันจะชินแล้วมันจะไม่กลัวตายมันจะไม่ทพิ ก, กับความตายนองสำนักค้ายไปนอนกับศพเลยมีศพตายกก่าวตายหม่เ้าก็จะตั้งไว้ตามจุดต่งตงางๆอย่างกระโปรงเล็กนี่ แล้วตาให้นั่งภาวนาแต่นั่งกับสบมีในชีวิ่อนที่ท็อกเคยไปเข้าไปโบทชีมามาเล่าให้ฟังเขาจะให้ไปนั่งทีละสองชั่วโมงสามชั่วโมงนั่งตอนคืนต้องทำใจสดๆมนะ <c oughs> าวางแล้สนิ่งเย การมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนี่แหละความจริงทำคือความจริงการมีดวงตาเห็นธรรมก็คือการเห็นความจริงเห็นความจริงของร่างกายที่เราหลงไหลค้างค้างว่าสวยนนว่ากงามน่าน่ารักน่าดูหน้าหน้าหวงหน้าหวงว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ย มันจะทำลายพาหงหลังเหล่านี้ไปหมดหลยเวลาเป็นปอยู่กับสร้างศพเนี่ยอยู่นานๆอยู่คนเดียวนั่งพิจารณาศพนั้นพิจารณาศพนั้นกับกับร่างกายอันนี้อันนี้อันนั้นคืออนาคตของร่างกายอันนี้อันนี้คืออดีตของร่างกายอันนั้น ต่อไปร่างกายนี้ก็จะต้องเป็นเหมือนตามร่างกายนั้นมันจะไปสวย ง, งามได้อย่างไรมันน่ารัก น, น้าดูน่าชมได้อย่างไรมันจะเป็นของเราได้อย่างไรต่อไปมันจะเป็นของสัตว์ต่เลยเป็นของวัดไปเห็นไหมพอตายนี่ยกให้วัดกันถ้า <laughs> <laughs> ยังไม่ตายนี่ห่วง ให้วบวชก็แมให้ไปนะแต่พอตายแล้วไปเลยไม่โหยเลยนะีม่มีคนมาบ่นนะพอจะาบวชที่ไรพ่อแม่บางพี่น้องน้างห้ามกันใหญ่เลยห้า ม, มไม่ไปบวนไม่ไปอยู่วนะัดแต่พอไม่มีเรืงหมายใจนี้ได้ห้ามไล่ไปเลย นล่สาสส่งไปนะอันนี้คือธรรมธรรมะเนี่ยีนดวงตาเห็นทรรมมองให้เห็นร่างกายที่เราลักเราหวงยิ่งกว่าอะไรเนี่ยว่ามันไม่มีคุณค่าประธาอะไรเลยเวลามันตายเวลานี้ต่อให้สามีภรรยาที่รักกันขนาดไหนก็ไม่เก็บเอาไว้ไม่ห่วงอนะ ถ้าอยากจะได้ออกไปเลยแถมงเงินเท็ดด้วย น, น, นี่คือร่างกายของพวกเราวันพระเราลองมาอยู่แบบคนตายดูกันที่ถือศีลแปด ก, ก็เหมืนกับอยู่แบบคนตายคนตายนี่แฟนก็ไม่นอนกับเราแล้วทไมยอมนอนกับเราศีลเ้าสาม อารมณ์บบจริยาเวลรมนีนับเว้นจากการร่วมหลับนอนกับแฟนคิดว่าเราตายแล้วไม่ไ ม, มีแฟนจะนอนด้วยนะอาหารก็ไม่ไม่กินเหมือนนะกินก็เพื่อเพียงแต่ให้ร่างกายมันยังอยู่ได้นั่ใหมายมันมนหิวแต่ไม่ให้หาความสุขจากการกินแล้วคนตายกินไม่ได้นะ แังนั้นเวลาคนตายไม่มีใครอาอาหารแต่เรี่องแต่คนเป็นในงานศพเนี่คนตายไม่ได้กินเนจ้าภาพไม่ได้กิน <c oughs> มีแต่แขกแขกได้กินอาหารแต่เจ้าภาพคือศพไม่ได้กิ น, นแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ไปตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงต่างๆ ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงร้องลัมทาเพลงไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวทำเท้าทําผมนอนก็ น, นอนในโรงไม่นอนบนทูกนหนาเตียงใหญ่ๆนี่คืออุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเลิกหาความสุขทางร่างกายพวความสุขทางร่างกายเป็นความสุข กระเดี่ยวกระดาษเชื่อข้าวของร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแล้วก็ไม่มีไม่มีความสุขทางร่างกายนะให้มาหาความสุขทางใจดีกว่าใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าใจสุขแล้วใจก็จะสุขไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตา ย, ตาย ความความสุขความสบายทางใจนี้จะไม่มีวันหายไปหอัอออนี้เรามาหาความสุขทางใจกันเริ่มต้นที่อาทิตย์ละหนึ่งวันวันพระในวันที่เราว่าไม่ต้องไปทำงานวันพระคือวันหยุดสมัยก่อนสมัยก่อน มงไทยเราไม่ไปโรงเรียนไม่ไปทำงานกันในวันพระเพราะเราถือตามปฏิทินของศาสนาศาสนาก็กำหนดให้หยุดตามวันขึ้นแปดท่แลมแปดท่ำขึ้นสิบห้าท่ำแลมสิบห้าท่เพราะสมัยก่อนเราไม่มีปฏิทินทางสากลเราดูเดือนนับเดือนตามตามพระ จ, จันทร์ ก็จำเป็นเดือนอเต็นเดียวก็จำเป็นดวงก็ได้หนึ่งเดือนแล้วกนับเป็นเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองไม่มีชื่อเดือนอายเดือนยี่เดือนสามเดือนสีน 3, ่อตอนนี้เรากำลังขึ้นเดือนสิบเอ็ดแล้เดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็เต็มดวงมีแปดค่อมแล้วหรือเจ็ดวันก็ขึ้นสิบห้าค่อมเดือนสิบเอด เราใช้ปฏิทินทางทางจันทรคติวันหยุดของเราก็เลยไม่ตรงกับวันสาวาทิกในยุค ป, ปัจจุบันนี้เราผานมาใช้ปฏิทินานานาชาติสากลเพราะเราต้องการที่จะพัฒนาจเจริญเหมือนโลกเขาโลกเขาใช้ออปฏิทินสากล เราก็เลยใช้ตามเขาเขาก็หยวันพระเหมือนกันแต่วันพระของเขาคือวันเสาร์วันอาทิตย์ศาสนาพิเศเขาก็มีวันพระเหมือนกันวันพระของเขาก็วันเสาร์วันอาทิตย์ทําไมถึงเป็นวันเสาร์หรืวันอาทิตย์เพราะเขาเชื่อว่าพระพระเจ้าสร้างโลกหกวันและวันที่เจ็ดนี้เป็นวันที่พระเจ้าพักผ่อน บงคนเขาก็นับวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่เจ็ดบางคนเขาก็นับวันเสาร์เป็นวันที่เจ็ดพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างอากาศสร้างดินสร้างน้ำสร้างต้นไม้เจ็ดวันหกวันพอาะเป็นวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เลยพักผ่อนพระเจ้าพักผ่อนลูกของพระเจ้าก็เลยต้องพักสามเขาก็เลยมีวันพัะตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถ้าแคร์เิทย์ก็วันอาทิตย์เนี่ยถ้าพวกโปรเตสแตนต์นี่ยก็วันเสาร์เขานับวันที่หนึ่งสันวันแรกถ้าเทวิทย์นับวันแรกคือวันจันทร์โปรเตสแตนต์เขานับวันแรกคือวันอาทิตย์วันเขาเลยมีวันพระวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้คนไทยเลยไปตามเขาเราเลยไม่มีวันพระเลย <G ül üş> คนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักวันพระเายไม่รู้ว่าวันหยุดนี้เขามีไว้เพื่ออะไร <G ül üş> วันหยุดนี้ก็เป็นวันที่เขาให้เรามาทำกิจกรรมทางศาสนามาสร้างความสุขทางใจกันมาหยุดหาความสุขทางร่างกายกันศาสนาคือเขาก็มีสิลเหมือนกันเขาก็ให้ ศาสนาพิบาษบางศาสนาแข็งๆเขาก็วันพระเขาเขาก็ไม่ให้ไปเที่ยวนะเขาใม่ไปโบสอ์เขาไม่ให้ไปลันเทิงไปอะไรศาสนาที่เราไปเรียนโรงเรียนที่เราไปเรียนสมัยนั้นสมัยเด็กๆโรงเรียนแซนเดนเนี่เขาก็ถือวันวันที่เจ็ดนี้ไปนน็นวันสาวเพราะกว่าวันแซนเดนวันที่เจ็ดเป็น ว, วันสาววันสาวก็จะว ด, ดกิจกรรมทาง ทางัากายเราจะไม่ให้อยู่หนังฟังเพลงเขาจะไม่ให้ไปเที่ยวให้ไปโบดให้อ่านคัมภีร์ให้ศึกษาคำสอนของพระเจ้าตั้งอยู่ในพันสมบัต่างคนไทยเรานี่โชคร้ายออมาเปลี่ยนพฏิทินตางเขาโบสถ์เขาก็ไม่เข้าวัด า, าวัดเราก็ไม่เข้า เราะว่าวันพระของเรามันไม่โตกับวันหยุดทำงานใช่ครับยัางวันนี้เป็นวันอะไวันตอาดใช่คนไทยก็ต้องไปทํางานใช่คนชาวพื้นต้องไปทํางานใช่เพราะว่าอย่านี้งานหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่เพาเลยไม่ได้เข้าวัดเสาร์ที่ก็ไม่เข้าเสาร์ที่ก็ไปเที่ยวกันครก็ที่เราไปพักผ่อนทางร่างกายหาความสุจทางร่างกาย ทา ง, งานเนี่ยมาห้าวันแล้วก็ไปหาความสุขพักผ่อนทางร่างกายจิตใจนี้ไม่มีโอกาสที่จะหาความสุขเลยไปพักผ่อนทางร่างกายบางทีใจก็วุ่นวายไม่สบาย น, นี่เป็นเพราะว่าเราโดยการปฏิเทียมของสากลมเรา ไม่มีใครรู้จักวนานพราเลเด็กสมัยใหม่นี้ไม่รู้จักวันพะวงลงว่ามีไว้ทำไมไม่รู้เรื่องของจิตใจเลยไม่รู้เรื่องของความสุขของใจว่าเป็นความสุขที่ลิเศษกว่าความสุขทางร่างกายไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเลยว่ามีไว้ทำไม เพราะตอนนี้ทางบ้านเมืองทางหัวหน้าคือทางรัฐาบาลก็ต้องการให้พัฒนาไปทางร่างกายให้มีรายได้ามากมากให้มีเงิมากๆเพื่อจะได้หาความสุขทางร่างกายไันซื้อบ้านใหญ่ๆซื้อคอนโดซื้อรถซื้ออะไรกัน เราไม่มีการเน้นเรื่องวันวันพระเรื่องของการให้ก่อนเข้าวัดกันเน้นแค่แค่ปีละสามสี่วันสามวันวันมาพระวันวิสาขะวันมหาหะให้หยุดเข้าวัดกันปีหนึ่งเข้าแค่สามวันวันเก้าวปัสสาวะวันสี่วัน นี่คือการสนับสนุนของรัฐ บ, บาลที่เป็นรัฐ บ, บาลพุทธนี่ถ้าเป็นรัฐ บ, บาลคริสนี่คงไม่มีแล้วเนาะต่อไปถ้าเป็นรัฐ บ, บาลคริสต์ขึ้นมานี่ต่อไปก็าอาจจะเป็นรัฐ บ, บาลที่รัฐ บ, บาลผสมมีทั้งคริสต์มีทั้งมีทั้งพุทธมีทั้งอิสลามอิสลามเขาบอกว่าถ้าคพืมีวันหยุดทางพุทธได้เราก็ขอวันหยุดทางอิสลามบ้าง ขอหยุดวันคริสต์มาสกันขอหยุดวันะละ ม, มาดอนกันหรือถ้าตกลงกันไมได้ก็ไม่ต้องมีวันหยุดในทางศาสนาต่อไปแคาเดีต่อไปนาก็จะไม่หยุดวันวันวิสาขะวันมาฆะวันอนสสาระต่อไปถ้ามีมีศาสนาอื่นมาร่วมรัฐบาลกัน รัฐมนตรีเป็นชาวคิดบ้างนี่รัฐมนตรีเป็นชาวมุสลิมบ้างเป็นชาวเซตบ้างต่อไปเขาบอกว่านี่ไม่ถูกนะจะเอาหยุดแค่ของพุทอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าจะหยุดต้องหยุดให้ทกครบทุกศาสะนาะถ้าไม่เช่นนั้นก็อย่าหยุดนะต่อไปเราจะไม่มีวันหยุดในวันมาฆะวันอาสา ทำไมนี่มีวันหยุดมันก็ไม่เข้าวัดอยู่ดีวันมาที่มันก็ไปเที่ยวกันอยู่ดี้มมีก็ไม่มีก็เลยเมันก็ไม่มีความหมายนะคนที่เข้าวัดจริงๆอนี้ต้องเป็นคนที่รู้คุณล้าของศาสนาจริงๆเนื่อมาเช่นนั้นก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กถ้าเป็นคนที่อายุมากแล้วเนี่ย สมัยเด็กๆยังเคยถูกฝังให้เข้าวัดกัอยู่พอโตขึ้นแล้วก็ยังจางเข้าวัดกันอยถ้าอยู่ตามๆจังหวัดนี่ก็ยังมีคนรู้จักวันพระกันรู้จักสายบาทกันเยอะแต่เขาอยู่ในเมืองนี่ไม่รู้จักวันพระไม่รู้จักสายบาทไม่เห็นพระเห็นก็ไม่รู้่าพระออกมาทําอะไรเดินเทือ ือบก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายที่มอยู่ในโลกนี้เงินทองกองเท่าภูเขางนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีไม่มีประโยชน์เท่ากับศาสนาไม่สามารถให้ประโยชน์ เท่ากับศาสนาให้ได้อย่าทองกองเท่าภูเขานี่ยก็ให้แค่ความสบายสุขความสบายทางร่างกายนะไม่สามารถให้ความสุขความสบายทางใจได้ยิแต่ จ, จะทําให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายไปที่มีมากใจก็ยิ่งวุ่นวายมากยิ่งทุกข์มาก อันนี้คือคุณค่าของศาสนาที่คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ถึงแ่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธแต่ก็ไม่รู้ว่าพุทธนี้มีคุณค่ามีความหมายอย่างไรเพียงแต่คิดว่าเป็นเหมือนกับยางเข้าบ้าน ก, ารกรันขโมยเอาพระไปตั้งไว้ในบ้านป้องกันภัยเหมือนประกันภัย มีพราต้า อ, อยู่ได้บ้างแล้วปลอดภัยผ <UA IS. S 1> ีไม่มาขโ <nuit> มยไม่ขึ้นบ้านไฟไม่บ้านบ้านเ <ipple> ห็นพูทเป็นอย่างนั้นไปนแล้วเป็นพูดพ้ทลูกเป็นเหมือนประการไทยประการชีริกไอย้ถึง เ, เต็มคอเลยนี่คือพุทธชาวพูทธชาวเงาเป็นอย่างนี้ ไม่รู้ว่าพู ด, พดแท้พีดจริงนั้นเป็นยังไงพูดแท้พูดจริงนี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจเป็นที่เพิ่งทางใจไม่ใช่เป็นที่เพิ่งทางร่างกายขอให้ห้อยพระราคางหลายล้านบาทหนีไม่พ้นความตายนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความแก่ มันไม่ทนความทุกข์ห้อยพเป็ น, ป น, ปนจนจนคอใจก็ยังทุกข์ใจก็ยั ง, ยงไม่สบายใจยังเสียใจยัยงน้องห่งน้องไห้ยยไม่รูห้ยไปทำไมเพราะว่าเราไม่ศึกษา ว่าพุทนี่มีไว้ทําไมอเราเลยไม่รู้คุณค่าเหมือนเด็กที่เห็นเพชรนี่มันจะไม่รู้ว่าเพชรมันมีคุณค่าอะไรเห็นเพชรมันก็โยงทิ้งสอมันจะหาขนมยังกินขนมกินได้ออกอมก็ไปหวานนี่มันเอาเลยโปรแกรมชาวพุทธก็เหมือนเด็กชาวโลกที่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรมัจริงได้ หาแต่ขนมนงงเลยมาขบมากินมามาอมมากินกั น, ก น, กนเพราะไม่มีใครสอนไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาแต่พอต่อเครื่อนี้พอรว่าเพชรนี่มีราคาเป็นแสนนี่เยนี้<ม>เห็นขนมก็ไม่เอาเห็นแค่ไดนี่คว้าไวก่อนถ้าพวกเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนา วเามนคุณท่าราชาอย่างไรนี่เราจะไม่เอาอะไรเลยเราจะคว้าเอาศาสนาเลยเราจะไม่เอาราบรยศสำเนาเงินทองกองเท่าภูเขามไม่เอานะตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่เอานะรางวีรางวัลเกียรตะคุณต่างๆเขาเรียกกันเครื่องรากต่างๆเครื่องรากชั้นนุ้นชั้นนี้ได้เป็นคุณหญิงคุณนาย เป็นมุ่เป็นนี่ไม่เอานะจะเอาธรรมะอย่างเดียวเพราะลดแห่ ง, นะงธรรมชนะลดทางปวงธรรมะเท่านั้นที่ดับความทุกข์ภัยในใจของเราได้นอกนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์เราได้เวลาทุกข์นี่ก็ต้องทอน ท, อ น, ทอนไปจนกว่ามันจะดับของมันเองแต่ถ้ามีธรรมะนี่พอจะทุกข์ปั๊บนี่มันดับเลย มันป้องกันไว่ก่อเลยถ้ามีธรรมะเต็มร้อยมีมีภูมิคุ้มกันเต็มร้อยนี่ความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ได้เลยเหมือนอนที่ฉีดวัคซี น, นีเราฉีดวัคซีนแล้วโอกนั้นจะไม่สามารถเข้ามาสร้างปัญหาให้กับร่างกายได้แต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนนี่ถ้าเชื้อโรคเข้าไปเมื่อไหร่ก็ตด็ดเชื้อทันทีเป็นโรคขึ้นมาอันที นี่แหละถ้าเราได้ลองศึกษาธ ร, รรมะศึกษาสามอย่างศึกษาพระพุทธเจ้าศึกษาพ่อธรรมคำสอนศึกษาพระ อ, อริยสงสาร ว, ว่าท่านเป็นอะไรเราถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเราถึงเรียกว่าพระธรรมเราถึงเรียกว่าพระสงฆ์ท่านเป็นอยังไงท่านเหมือนเราหรืไม่เหมือนเราถ้าท่านเหมือนเราทรําไมเราได้เรียกเราว่าเป็นพระพุทธบ้าง ทำไมเราไม่เรียกเราว่าเป็นพระสมม์้างถ้าศึกษาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่สามารถทาลายความทุกข์ที่มีในใจของท่านให้หมดไปด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครสอนเราเรานี่ดับความทุกข์ที่มีในตัวเราให้หมดไปได้โดยไม่มีใครสอนเลย มีคนสอนก็ยังไม่ดับเลยนีค่คือพรตพุทธเจ้าของเรากับเราไม่เหมือนกันตรง น, นี้ตองที่ว่าท่านดับความทุกข์ในใจของท่านได้ท่านไม่ร้องไห้เวลาเสียอะไรไปท่านไม่เสียใจท่านไม่ร้องห่มร้องไห้เวลาท่านแก่เวลาท่านเจ็บเวลาท่านตายท่านไม่ร้องห่มร้องไห้ เวลาใครด่าท่านท่านก็นไม่ร้องห่มร้องไใครโกงท่านท่านก็นไม่ร้องห่มร้องอนี่คือพระพุทธเ จ, จ้าท่านรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจโดยที่ไม่มีใครสอนท่านตอนต้นท่านก็ไปหาคนสอนแต่ไม่มีใครสอนได้เพราะทุกคนยังไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ อตัวเองได้ดับได้ก็ดับดับชั่วคราวเช่นให้ไปนั่งสมาธิถ้าเวลาไม่สมาใจก็ให้ไปนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอกลับมาคิดถึงเรื่องนั้นอีกก็กลับมาทุกข์อีกเห็นไหมทุกข์มาตั้งปีกว่าแล้วยังทุกข์อยู่ท่าน พอไปคิดถึงมันปักแล้วทุกข์ค่อยมาทันทีแต่พอไม่คิดถึงมันมันก็ไม่ทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเลยก็ต้องไปหาวิธีว่าเวลาคิดถึงมันแล้วเวลามันทุกทําไงให้มันไม่ทุกข์ให้ได้พระพุทธเจ้าก็สองคนพบวิธีตอนต้นก็ต้องหนีมันหนีเรื่องที่ทําให้เราทุกข์คือไม่ไปคิดถึงมันถ้าแฟนทําให้เราทุกข์ก็อย่าไปคิดถึงแฟน พูดโท้พูดโทไปนั่งสมาธิไปพอเราไม่ไปคิดถึงแฟนความทุกข์เราก็หายไปถ้าเงินทําให้เราทุกข์เราไปพูดโธ้พูดโธนั่งสมาธิพอเราไม่คิดถึงเงินความทุกข์เงินที่ทําให้เราทุกข์ก็จะหายไปแต่พอเรากลับมาคิดใหม่พอมันเจอเรื่องเงินใหม่ปัญหาเงินหม่ปัญหาแฟนใหม่ก็ทุกข์ขึ้นมามา่ ถ้าลูกเป็นปัญหาพอกลับมาคิดถึงลูกก็เป็นปัญหาก็ทุกขขึ้นมาใหม่เคไม่สามารถดับความทุกขด้วยการหนีหรือโดยที่ไม่คิดถึงมันพระพุทธเจ้าเราอยากจะรู้ว่ามีวิธีไหนที่จะสามารถที่จะเจอมันเผชิญมันเห็นมันเจอน้ามันแล้วไม่ทุกขได้หรื่ทางก็รสามารถค้นคว้าถามตัวเองถามไปถามมาก็ได้คำตอบ ตอนที่เราทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไปอยากกับเรื่องราวนั่นเองอยากให้เป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างนั้นก็ทุกข์เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นกล้วยอยากให้เขาเป็นเป็นสัพพรกพอเขาไม่เป็นสับปะลกก็ทุกข์พระอาจาก็ถามตัวเองวเราไปทำให้เขาเป็นสัพะรกได้หรือเปล่าเขาเป็นกล้วย ทำไม่ได้แล้วไปไปทําทำมันก็แสดงว่าเราบ้านั่นนี่ลยใช่ไหมไปโทษใครก็โทษความบ้าความโง่ของเราเองเราโง่เราอยากให้สิ่งที่เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นได้เปล่าอยากคนตายกลับมาเป็นคนเป็นได้เปล่าตายไปแล้วว่ยังอยากใช้ให้กลับมาน้องห่มน้องห้างมีแม่ในเรื่องนิทานนสมัยพุท ธ, ธกาล แม่พนเป็นค้อลูกออกมาใหม่ๆแล้วลูกก็ตายไปแม่ก็รักลูกอยากให้ลูกฟื้นไม่ไม่กล้าไปฝังไม่กล้าไปทำชาปน ก, กิจกลัวเพราะอยากจะให้ฟื้นก็เลยกอดลูกไว้เก็บลูกไว้ในบ้านน้องห่มน้องห้าชาวบ้านเห็นก็สงสาร ก็เลยบอกว่ามีพระมีพระพุทธเจ้านีน่จะช่วยเธอได้ท่านเก่งมากเธอก็เลยมีใจแล้วเธอก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกของของเธอฟื้นได้แความจริงพระพุทเจ้าจะทําให้เขาหายทุกข์ได้แต่เธอไม่เข้าใจแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกเขาฟื้นเธอจะได้หายทุกข์ก็เลยรีบอุ้มไปลุ้อุ้มศบลูกไปหาพระพุทธเจ้า แล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าท่านจะช่วยให้ลูกฉันเฟื้นใช่ไหมพุทเจ้าบอกออง่ายมากเธอไปหามาเล็ผักกาดมาให้เราสักกรรมเลยแล้วเราจะทำให้ลูกของเธอฟื้นขึ้นเธอดดีใจใหญ่รีบกลับไปในหมู่บ้านแต่ก่อนจะ ก, นก่อนจะไปพุทธเจ้าบอกไอม้มาเ็ผักกาดที่ได้จากบ้านนั้นต้องไม่มีคนตายบ้านไหนมีคนตายมาเลผั ก, กาใช้ไม่ได้นะ เอาบ้านที่ไม่มีคนตายขาแกก็ดีใจจาริย์กลับไปอยู่บ้านไปเคาะ้าไปเคาะตามบ้านต่างๆบ้านไหนมีเมล็ดผักกาดก็ถามว่าแล้วมีคนตายเนหะมเพราอนี้ก็บางทีก็บูบ้างบางทีก็ยากบ้างบางทีก็ป้าบ้างบางทีก็น้าบ้างบางทีก็หลานบ้ามีคนตายไปถามบ้านไหนที่มีเมล็ดผักกาดก็ได้คำตอบอันเดียวกัน ว่ามีความมีคนตายทุกา้านจันทร์ท่างแกก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมเป็นห่ามาความตายนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะบ้านของเธอบ้านเดียวไม่ได้มีที่ลูกของเธอคนเดียวลูกของชาวบ้านลูกของคนอื่นก็ตายเหมือนกันสามีของคนอื่นก็ตายเหมือนกันตายแล้วก็เอากลับมาไม่ได้เหมือนกัน แล้วเขาก็อยู่ด้เขาก็แฮปปี้ต่อไปได้านเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันได้ก็เลยได้สติได้ปัญญาขึ้นมาก็เลยหายร้องห่มร้องไห้หายเศร้าโศกเสียใจเอารูปไปฝังได้เอารูปไปทำพระชาวปนกเกตได้เพราะความอยากที่จะให้ลูกฟื้นนี่มันเป็นไปไม่ได้น อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วชอบมีคําถามด้วยอยากให้พ่อแม่ฟังเทศฟังธรรมแตเข้าไม่ฟังแล้วจะไปวางข้าเขาได้ยังไงใช่ไหมแล้วใครทุกข์ตัวเขาเน่ยก้อทุกข์ตัวคนอยากเนี่ยทุกข์โดยที่เับคนที่ก็ไม่ฟังเทศฟังธรรมเขาไม่นทุกข์หรือไอ้คนมีธรรมะกับทุก ก็แสดงว่ามีทำทำปลอมไม่ใช่ามมาทํำธรรมะแท้ถ้าทําแท้เราจะไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์กับคนอื่นให้เขาให้ําว่าให้เขาฟังนะเขาไม่ฟังก็ไม่ทุกข์อันนี้ให้ธรรมะเขาฟังแล้วทุกข์ก็แสดงว่าตัวเองไม่มีธรรมะก็วเงดันยาวธรรมะไปให้จ่ายให้คนอื่นงอไหมใช่ไหมธรรมะมีสองสองแบบทำปลอมและทำจริง ถ้าทำจริงนะมันจะทําให้เราไม่ทุกข์นะถ้าทําปลอมนี่ยังทุกข์อยู่นคนนี้โอ้ท่องพระไตรปิฎกได้เลยเรียนอภิธรรมบทคำพีเลยใจยังทุกข์อยู่นี่งป็นแสดงว่ามีทําปลอมมีไปก็ไปไปอยู่เพราะไม่ได้เอามาใช้ในการปฏิบัติทำนั้นจะเป็นทางจริงได้ต้องเอามาดลอกความทุกข์ใจของเราให้ได้ก่ถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมจริง ถ้าเป็นธรรมปรอมนี้ยังดับก่อนทุกข์ไม่ได้ยังมีความอยากอยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่อย่างยีนเรียกว่ามีธรรมปรองคนที่มีธรรมจริงจะไม่มีความอยากเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากให้เราไปา น, นิพพานอยนาง่ไหถึงแม้ท่านจะพยายามสอนพวกเราทุกวันสี่สิบห้าปีด้วยกัน ตอนซ้ำๆซักๆอยู่เรื่องนี้อนวันละสี่ครั้งอตอนบ่ายก็สอนญาติโยมตอนค่ า, าก็สอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็สอนเทวดาอตอนเช้าก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตก็เล็งย่างดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าคนนี้อาจจะตายไปก็ได้อาจจะมีโอกาสบรรลุธรรมในวันนี้แร้ก่อนที่เขาจะตายก็เลยจะไปสอนเขาก่อนอ แต่ท่านก็ไม่ได้หวังอะไรท่านก็เพียงแต่ว่าถ้ามันโชคดีมันฉลาดมันก็มันก็จะสาเร็จบรรลุได้แต่ถ้ามันไม่สาเร็จก็ก็เป็นเรื่องของมันมันเป็นดัวสี่เหล่ามันจะเป็นอย่าไหนก็ไม่รู้แหะถ้าเป็นดัวเหนือน้ําน้วพอพูดธรรมะตั๊บมันก็บรรลุเลยแต่พวกที่มันเปลี่นน้าก็ต้องพูดบ่อยๆน่อย พูดช้ำช้ซักพูดอยู่เรื่อยๆราวันหนึ่งาอาจจะร้องอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากของเรานี่เองเนีย่ยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยก็ยังไม่อ๋อสักทีแล้เวเรากลับบ้านก็อยากได้นู่นอยากได้นี่นะเนี่อมันทำไมมันมันไม่เข้าไปในหัวเลยนะธรรมะของพุทธเจ้าสั้นๆง่ายๆ ที่ข้อเท่านั้นเองทุกเกิดจากความอยากถ้าอยากจะอยากอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องมองความจริงรับความจริงยอมรับว่ากล้วยต้องเป็นกล้วยจะให้มันไปเป็นสับปะรดไม่ได้<ม>คนตายก็ต้องตายจะให้มันกลับมาเป็นคนเป็นไม่ได้<ม>คนดื้อจะให้มันไม่ดื้อไม่ได<ม>้ต้องยอมรับความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์ แต่บางอย่างเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนสมัยนี้เขก็มีการพัฒนาทางด้านเกษตรส า, า ม, มารถปลง่อยผลไม้บางชนิดเนี่ยจากที่มันเปรี้ยวให้มันหวานก็ได้ก็ทําได้ถ้ามีเหตุทําให้มันละทําหน้าก็ทําไปก็แสดงว่ายังทําได้อยู่แต่อันไหนทําไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันเลยจะทุกไปต่อไป พระพุทธเจ้าสอนนี่ท่านก็ยังเห็นว่ายังมีโอกาสสอม น, นั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากบัวใต้า น, นาขึ้นมาเป็นบัวเหนืนอนางจากบัวเหนือนากลายเป็นจากบัวตูมกลายเป็นบัวบางไปเพราะองค์ก็เลยไม่ท้อแท้ที่จะคอยอบรมสั่งสอนแต่อย่างนี่ไม่มีถ้าเขาไม่เขาไม่บางก็ไม่เสียใจไม่ทุกใจไปกับเขาก็เพียงแต่ สมเพศเวทนามากกว่าที่ไม่มีโอกาสที่จะถ้าชาตินี้ไม่บานถ้าไม่เกิดมาชาติหน้านี้ไม่เจอพระพุทธศาสนาเหมือนบัวไม่เจอไม่เจอดวงอาทิตย์นะถ้าบัวไม่มีดวงอาทิตย์นี่มันบานไม่ได้นะโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์นี่มันจะมีแต่หิมะมีแต่น้ำแข็งมีแต่ความหนาวดูดวงดาวที่มันห่างไกลจากโลกไป มันจะร้อนมันจะหนาวไม่มีอุณหภูมไม่มีแสงสว่างก็จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะให้ถามที่ไหนยังไม่จบเดี <c oughs> ๋ยวขอพูดให้จบก่อนนะเพราะฉะนั้นขอให้เรามาศึกษาให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาส น, นาพระพุทธเจ้าเนเป็นคนค้น คนพบวิธีดับความทุกข์ภาจในใจของพวกเราแ ล, แล้วท่านก็เอาวิธีนี้มาสอนพวกเรา<ม>คำสอนของท่านก็เลยเรียกว่าพระธรร ม, มพระธรรมคาสอนวิธีการดับความทุกข<ม>์พราะพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวท่านสอนเรื่องดับความทุกข<ม>์พระไตรปิกมีอยู่ต้องแปดหนึ่งสี่พันบท<ม>สอนสอนวิธีดับความทุกข์ทั้งนั้น พระพุทเจ้าท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าคำสอนของเรานี่มีมากมายกายกองแต่ก็เป็นเหมือน้นนําในมหาสมุทรที่มีน้ํามากมายกายกองแต่น้ําในมหนาสมุทรนี้ก็มีรสเพียงรสเดียวคือรสของความเข็มคำสอนของเราจะมีมากแค่ไห น, นก็สอนเรื่องเดียวสอนเรื่องวิธีดับทุกข์เท่านั้นเองวิธีดับทุกข์ก็คือให้เรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คืออะไร ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็คือต้องใช้ความจริงมาดับอย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่จริงต้องอยู่กับความจริงอย่าไปอยากให้สิ่งที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากให้มันไม่เป็นเป็นความจริงความจริงก็คือ กล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยสับประรดก็ต้องเป็นสับประรดเ้าอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่คือเห็นความจริงความจริงที่เราต้องเห็นคืออะไรก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้<ๆ>อยากให้กล้วยเป็นสับประรดเป็นไปไม่ได้ อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไม่ได้อยากให้ได้เงินได้ทองที่ไม่ได้ได้มาก็ต้องมีเสียอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นกายก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปจนวันตายก็มไม่ได้เขาจะไปเมื่อไหร่ก็เไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าอยากเราจะทุกข์อยาให้รู้กันนี้ขึ้นี่คือความจริงอยากไปฝืนความจริง อย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้สิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้เราควบคุมบังคับได้เพราะถ้าอยากไปควบคุมบังคับเราจะทุกข์เราบังคับฝนได้บังคับแดดนั้นบังคับให้แดดออกได้หรือเปล่าบังคับให้ฝนตกหรือให้ฝนหยุดได้นั่นแะแต่เราไม่ทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามับังคับไม่ได้ ถ้าทําไมร่างกายมันก็เหมือนกับแดดกับฝนมันมอยากไปบังคับมันทำไมร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันบังคับไปได้มันจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ห้ามมันไม่ได้มันจะหายหรือไม่หายก็สั่งมันไม่ได้มันจะหายมันก็หายมันไม่หายมันก็ไม่หายมันจะตายมันก็ตายเนี่แหละคือไม่เที่ยวเราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราไปอยากว่ามันจะทำให้เราทุกข์ ให้รู้ความจริงสามข้อนี้เรียกว่าไตราลักษณ์อ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาถ้ารู้ความจริงสาข้อนี้แล้วความอยากจะหาให้หมดเลยพอไม่มีความอยากว่าความทุกข์ก็จะหมดไปพอพระพุทธเจ้าสอนคนที่ฟังเข้าใจนำออกไปปฏิบัติก็ดับความทุกข์ได้คนที่ดับความทุกข์ได้หมดด้วยการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระสงฆ์ พระอรหันตสาวกพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเรานี่โกนหัวนุ่งนุ่งเหลืองห่มเหลืองยนี่เรียกว่าพระภิกษุแต่เราไปเรียกกันพระสงฆ์ไปอวาจริงพระสงฆ์นี้ท่านหมายถึงพระอริยพระที่ไดับความทุกข์ดับความทุกข์กเป็นบางองค์ยังอาจจะดับไม่หมดแต่รู้จักวิธีดับความทุกข์พระอริยสองมีสี่ชั้นด้วยกัน ชั้นที่หนึ่งดับความทุกข์ได <archety pe damned model> <k ip emerges> ้บางส่วนชั้นที่สองก็ดับได้เพิ่มมากขึ้นชั้นที่สามก็ดับได้เกือบหมดชั้นที่สี่ถึงจะดับได้หมดนแต่ทั้งสี่ชั้นนี้รู้จักวิธีดับความทุกข์น่าจะสามารถดับความทุกข์ได้หมดชาดเรื่อยๆเท่านั้นเองบางคนก็อาจจะไม่อาจจะถึงเก็บชาติถึงจะหมดนบางคนก็ชาติเดียวบางคนก็ชาตินี้เลยการจะชาดนี้เลย แต่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่รู้จักวิธีดับความทุกข์นะเราถึงเรียกว่าพระอริยสงสาวงศของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระที่เราเห็นตามวัดตามมากรหนุ่มเหลืองห่มเหลืองพวกนียกน้ยังดับความทุกข์ไม่เป็นยังดับความทุกข์ด้วยวิธีที่ญาติโยมดับกันยังหาอะไรมาดูมาฟังกันหาอะไรมาดื่มมเกินกันอั น, นนี้ไม่ใช่วิธีดับความทุกข์ ดับความทุกข์ต้องใช้ต้องเห็นใจรักต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราที่ท่านสอนให้เราเข้าหากันถ้าเราหาท่านทั้งสามนี้ท่านจะสอนวิธีดับความทุกข์ให้กับเราแล้วถ้าเราสามารถนํามาไปตามทําตามที่ท่านสอนได้หยุดความอยากได้ด้วยการมองเห็นความจริง วาทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไปสั่งไปควบคุมไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องยอมให้มันเป็นไปร่างกายมันจะแก่ปล่อยมันแก่ไ ป, อ ย, ไปย อ, มมอย่าไปย้อมผมอย่าไปดื่มหนังอยู่แบบคนตายเนี่ยร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องตายเนละปแต่งหน้าทาปากมันทำไมก็ท่าประต่ายศพเลยยอมรับให้มันว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปนี่ก็คือเรื่องของศาสนาเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเหมือนแก้วพระแก้วมรกตนี่รักภาระตนะใส่รัรรตะ น, นตะนเป็นแก้วเป็นเพชรเปนจินดาที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรเพชรเพชรท้าเพชริงกับสู้เพชรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพราะเพชรจีนก็หลับความทุกข์ไม่ได้ มีเพชกองถ้าภูเขาก็ยังร้องห่มน้องไหยย้ยังเ ศ, ศร้าโศกเสียใจอยู่แต่ถ้ามีเพชของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะไม่มีวันเศร้าโศกเสียใจต่อไปถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเพชรที่แท้จริงคืออะไรเพชรที่แท้จริงก็คือพระรัตนะไตรพุทธรัตนะธรรมลัตนะสังขรัตนะที่เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเรา ที่จะป้องกันให้ใจของเรานี้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะไม่เล่าการอะไรเราจะเอาเพชรแท้เราอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เรายังกำลังมีอยู่ในขนาดนี้ที่เราไม่สามารถดับได้ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินกองเท่าภูเขาก็ตามมีตาแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม แต่เราก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้แต่ถ Bra ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วรับรองแล้วว่าเราจะสามารถดับมันได้อย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาให้รู้ว่าวิธีดับทุกขยย์ทำอย่างไรแล้วนํามาไปดับเวลาเกิดความอยากก็หยุดมันเท่านั้นเองอยากไปอยากอยากไปอยากให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาอยากไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ก็ต้องเป็นถ้าเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเรายังห้ามมันได้ก็ห้ามไปแต่ถ้าถึงเวลาห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เอาละนะนี่คือธรรมะที่ได้แสดงและเอามาฝ า, ากาติโยมในวันนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอโลเนวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติยิชิตังป um ัติตังตุมหังคิตเปเมวะสมมิจตุสัพเเปุเรนตุสังกปาจัมโทปัญญระโสยะถามณิโชติ ตระโสยาถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคลีนัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานัสีนิสะนิจังวุตฒาปัจจายีโนเจตารโรธรรมาวทาติอายุวันโยสุขัง อาจารย์นะคะในกรณีที่เราทุกข์เขาโกงเราเพราะเราอยากให้เขาไม่โกงเราสิไก็อยากไม่อยากเราโกงมาแล้วเขาโกงไปแล้วเราก็ทำใจอยู่บางครั้งมันก็หายแบบไม่พอเราเลิกข like ึ้นมาไม่ต้องไปเขาโกงแล้วจะไปย้อนอดีตได้ไงมันไม่ใช่เทปเนี่ยเราไปลบมันได้ใช่ไหม แต่ ก, การอดีตนี้มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วจะไปไปไปลบกันได้เองเขาโกงแก็ประกงไปเลยกระถางนั่นเองไม่ยอมแล้วว่าเขาโกงก็ให้เขาแล้ไปเปลี่ยนก็ได้ไปเปลี่ยนให้เขาไม่โกงได้นอกจากเขาเป็นพวกโจรกับใจเนี่ยก็ข้างหน้าก็อาจจะเอาเงินมาคืนเราก็ได้ใจอย่าหวังอย่าพยอยากพ่มันตามไม่มามันจะทุก หัาไปแล้วหมดแล้วผ่านไปแล้วเป็นความฝันแล้วฝันร้ายคิด่าเป็นฝันร้ายเที่ฝันร้ายเปลนม่มาจย้อนอกลับไปเปลี่ยนฝันไม่ได้นะช่วย <c oughs> พ่อไปอยาอยากไปยาอยายาให้ก็ไม่โกงอยากไยาให้ก็คืนของที่ก็โกงไป เราฟังยังไม่เข้าใจใช่ไหมยังไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์หรือไเข้าใจจ้าค่ะแล้วมันก็ทุกข์แต่บางครั้งมันก็มันก็ทำใจได้มันหายไปไม่ถึง ท, ทุกข์เพราไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากใช่ไหมเข้าใจนะที่ที่บบ ท, ที่โยมปิงบอกนอะนี่เพราว่าที่อาจารย์สอนว่า คือคนเราเนี่ยีอยากกับไม่อยากถ้าเราละตัวสองตัวเนี้ยได้ เ, เราก็จะเป็นสุขยไม่ไตรงเนี้ยไดแต่บางครั้งเนี่ยโยมก็ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้จำเ่องยังเข้าใจอยู่รู้เข้าใจแต่ทำไม่ได้ต้องรำมั่งสมาธิมหยุดความต้องสร้างสติไม่ถึงจะหยุดได้นะราี้ิัีสติ รถยังขอนยังขอนรถกำชาเปนรถกำเบรคเบรคไม่เบรไม่เข้าไปเข้าอู่ไปติดไปซ่อมเบรคไปอยู่วัดไปแซมเบรคไปแซมสติแในคปูดโทดอยู่วัดบ่อยก็อยู่นิดเดียวเ่าวันสองวันกลับบ้านนะกลมาขับอีกนะับมาเบรนยังไม่ทันได้ติดตั้งเลยก็กลมาชนกัน มึใครอยากจะถามเมื่อไรนะถามได้เนยะคนถามไม่ได้ว่าคนโง่นะคนถามแล้วคนฉลาดฟางแล้วยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่แจ้งแจ้งถามถามแบบนี้ไม่ใช่เราเป็นคนโง่คนเราจะฉลาดได้ต้องยอมรับว่าเราโง่ก่อนถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วเราก็ เราก็จะเป็นคนโง่ไปตลอดถ้าเราจะไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท่านบอกคนที่คิดว่าตอนเองยังโง่อยู่นี่ท่านบอกยังมีโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดได้แต่คนที่คิดว่าตอนเองฉลาดนด้นี่่าบอกเป็นคนโง่ที่แท้จริงเพราะคนที่ฉลาดจริงนี่จะไม่จะไม่มาเกิดอีกถ้ายังมาเกิดอีกแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดนี่แสดงว่ายังโง่อยู่ พระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงเพรจะไม่กลับมาเกิดนะคนโง่นี่ยังกลับมาเกิดทำไมถึงว่าการกลับมาเกิดทําเป็นโง่เพราะการกลับมาเกิดก็เหมือนกับการเดินเข้ากองไฟนั่นการมาเกิดนี่ก็จะเดินเข้าหากองทุกข์นั่นมาเกิดเนี่ยเรามาหาความทุกข์กันยังไทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ทุ ก, กับการสูญเสียพลาดจากสิ่งที่เรารากบุคคลที่เรารักถ้ายังกลับมาเกิดอยู่นี่นก็แสดงว่าโง่ออกไม่รู้จักวิธีออกจากกองไฟนี่แต่จะเดินเข้าหากองไฟคนฉลาดนี้รู้ว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์ท่านถึงไม่กลับมาเกิดอีแล้วท่านก็ค้นหาวิธีที่ทําให้ไม่กลับมาเกิดก็คือให้ความอยาก ความอยากที่จะไปนู่นมานี่ไปดูนั่นดูน Iron ี่ไปฟังนู Alison ่นฟังนี่มันก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายมีร่างกายพอไม่มีรา of thinking of thinking equally, ่างกายนี้ม right ันก็ไปหาร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ใจผู้มีความอยากเนี่ยที่จะไปหาร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็มาทําอย่างที่เราทํากันอยู่เหมือนเดิม อยากดูก็ไปดูอยากฟังก็ไปฟังอยากไปเที่ยวก็ไปกันครับแล้วก็ลรามาทุกกันเพราะว่ากว่าจะเที่ยวได้นี่ต้องเหนื่อยต้องหาเงินหาทองต้องทําอะไรมากมายกายกองแล้วก็เที่ยวก็ได้ความสุขเอยู่เดียวพอไม่ได้เที่ยวก็ทุกขขึ้นหน่อยพออยากจะเที่ยวเลยจะเที่ยวก็ทุกขอีกแล้วเป็นการเลยเข้าหา กองไฟกองทุกคนเจลาวนี้จะไม่มาเกิดกันคนจลาบที่แท้จริงคือพระพุทธพระเจ้าพระอริยสงสารเ้ยเขาบอกไม่เอาแล้วเกิดไม่เอาแล้วเกิดเป็นทุกข์ท่านก็เลยตัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการเกิดให้หมดไปดัะนั้นพยายามศึกษาอย่าไปเชื่อคิดว่าตวเองนเลา ตอนนี้เราอาจจะไม่ทุกข์มากเพราะยังไม่ถึงเวลาตามที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวตานที่เรามีกำลังวังชามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้มีเงินทองหาเงินทองได้คล่องแคล่วว่องไวอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะทำอะไรอยากจะซื้ออะไรก็สามารถทำได้หมดนี่ยแต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปทุกวันแล้วไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเดี๋ยวสักวันนึงมันจะต้องสรุป เดี๋ยววันนั้นเงินทองอาจจะขาดมีขึ้นมาหรือสิ่งที่เรารักบุกคคลที่รักนีน่จากเราไปในนั้นน่ะถึงจะรู้คำว่าทุกข์ว่าเป็นอย่างไรบังคนพอเจอทุกข์แบบกระทำหานหี่ทน อ, อยู่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยนีน่นั่นอย่าประมาณความทุกข์กำลังรอเราอยู่เตรียมอาวุธสู้กับมัน เราสามารถฟันฝาความทุกข์ทุกอย่างที่ร า, ทราเราอยู่ได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าเราหามีอาวุธอาวุธก็คือธรรมะเรียกว่าธรรมอาวุธถ้ามีธรรมะแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆใครจะจากเราไปจะไม่ทุกข์ใครจะมาโกงเราไม่ทุกข์ จะเส้นเนี้อประาตัวก็ไม่ทุกข์กลับไปทํางานก็อาจจะบอกว่าสิ้นเดียวนี้บริษัทจะปิดแล้วนะลูกเสจะทุกหรือไม่ทุกขไปเพราะฉะนั้นอย่าประมาทถ้าเรายัางทุกข์อยู่แสดงว่าเรายัางไม่สำเรีศึกษาธรรมะให้มากๆเพราะทําหน้านี่แหละที่จะช่วยทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์นะมีแต่จะทําให้เราติดอยู่ในกองทุกข์พยายามอย่าไปหาอะไรอย่าไปเพึ่งอะไรให้มาพึ่งธรรมพึ่งธรรมะธรรมังสรารนังกระฉามธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงทางบ้านถ้ามีคําถามก็ส่งเข้ามาได้คําถามจากคุณวินค่ะผมเห็นว่าผู้รู้ไม่ใช่ตัวเรา เห็นผู้รู้ไปคิดไปฟูง้งอยากถามว่าจริงๆแล้วตัวไหนเป็นตนะฮะอยากถามว่าจริงๆแล้วตัวไหนเป็นตัวคิดครับและความจำหรือสัญญาทั้งหลายอยู่ที่ไหนครับมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละที่อยู่ที่ไหนแหละไม่ลองอมาจากตัวเราเนทะ่านั้นเนี่ยแล้วมาถามอะไรเราของอยู่กับตัวแท้ๆไม่มองก็งไปข้างในมันจะไปรู้ได้ไง คำตอบนี่มันถามไปก็ตอบไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงสีเขียวเป็นยังไงถ้ามันไม่ดืงตาขึ้นมาบอกเนี่ยมันก็มองไม่เห็นถ้าอยากจะได้คำตอบก็ดึงใจเข้ามาท่างในสนั่งสมาธิอยู่ทำใจให้สงบอยู่ทำนี่มันออกไปเยที่โน่นที่รูปที่เสียง ท, ที่กลิ่นที่รสมันก็เัยไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไปถามคนมอื่นว่าตัวผมเป็นอะไรถามไปยังไงก็ไม่รู้อยู่ดี ต้องกลับไปมองตัวเองต้องใช้สติกลับตอนดึงใจให้กลับหันเข้ามองข้างในตอนนี้ใจหันไปมองข้างนอกมามองไปที่รูปเสียงกลิ่นร็เลมองไม่เห็นใจวดาจ้า บ, บอกให้ใช้สติดึงใจให้กลับเข้าข้างในให้หันใจ ห, นหันเข้ามาดูใจพอหันเข้ามาก็จะเห็นเอง อ, อ๋อผลเป็นอย่างนี้เองไปถามให้คนอื่นให้แสดงควาโมโง่ปวดความโง่ทำไม คำถามจากคุณกนิษฐาค่ะการระบายความในใจกับเพื่อนสนิทแต่มีการกล่าวพาดพิงผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่นะที่นั้นมีความหมายตรงกับคำ ว, ว่านินทาไหมเจ้าคะก็ อ, อยู่ที่เจตนาต้องการจะนินทาะาะหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่ใชถ้ามีเจตนามันก็ใช่ <c oughs> คำถามจากคุณเปาได้ปฏิบัติตามอาจารย์สั่งสอนมีความสุขสงบดีมากๆวันๆไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากฟังธรรมและนักสมาธิแต่เมื่อก่อนมีความจำเป็นต้องไปห้างปรากฏว่าไปเห็นสร้อยเพชรอยากได้มากๆค่ะมีเงินในกระเป๋าด้วยค่ะคิดว่าซื้อมาก็ไม่เสียหายอะไรเพราะมีเงินขอพระอาจารย์สั่งสอนด้วยค่ะได้ ถ้ามันมีเงินก็ไม่เสียหา ย, ยอนนะไรเวลาถ้าจอดไปเห็นแล้วอยากัทำธุมีเงินมันจะเสียหายตอนนี้ความอยากมันไม่หมดกับสร้อยเส้นนี้มันได้เส้นนี้แล้วเดี๋ยวมันได้เส้นอื่นมันอยากขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็ต้องเจอถึงเวลาว่าแบบหมดแล้วอนะ่ะเกินกดไม่ได้แล้วมันก็จะซื้อไม่ได้พออยากซื้อก็ไม่ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่สบายใจนะ ถามจากคุณบางข้อที่หนึ่งการภาวนาพุโทโธพุทโธไปเรื่อยจิตจะสามารถแยกออกจากลมหายใจได้ไหมเจ้าคะก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจการตัต้นนั้นี่ยพุทโธกราพุทโธไปไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจแต่เวลาเราพุทโธนี่ไม่ต้องไปยุ่ลงลมหายใ จ, ยหย ใ, จให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวตอนนี้มันก็ยากกันอยู่แล้วพุโทโธก็อยู่ที่นึงใจก็ลมหายใจก็อยู่ที่นึงนแล้วแล้วก็ไม่ต้องการจะไปแยกมันไม่เกี่ยวกัน การพูดโธนี้ไม่ต้องการที่จะไปยากให้ออกจากลมหายใจลมหายใจมันก็ไม่ได้อยู่กับพูดโธนตั้งแต่เริ่มต้นเราไปดึงลมหายใจมาบุมาอยู่กับพูดโธไม่ต้องไปดึงมันเข้ามาเอาอย่างได้อย่างหนึ่งก็พอพูดโธก็พูดโทไปเลยดูลมก็ดูลมไปเลยข้อที่สองพุดโทหรือพองหนอยุบหนอรู้หนอ ผลคือตัวรู้อันเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะหรือโยมเข้าใจผิดคะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผลตัวรู้ไอ้พุทโธก็คำพูดไงความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเราสังขารปรุงแต่งแต่คําว่าพุทโธพุทธโธพอถ้าเราปรุงแต่งแต่คําว่าพุทโธแล้วยุบเนอใจมันก็จะสงบถ้าเราไปปรุงแต่งถึงขนมถึงที่เท่าที่ยวถึงนู่นที่เ um น um ี่แล้วมันก็พุ่งใหญ่เลย ให้คิดอยู่เรื่องเดียวให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธและให้คิดอยู่กับยุบเนาะพองเนอะแล้ามันก็จะสงบคำถามจากคุณจงใจภาวนามีนิมิตเยอะจะทําอย่างไรดีเพื่อประโยชน์ต่อไปคะอ๋อไม่มีประโยชน์เลยนี่เนี่ยเสียไสนใจเนี่เราภาวนานี้ให้มีสติมีอะไรกํากับใจถ้านั่งเฉยๆนิมิตโผลมาเต็ไมไปหมด อยานั่งนี้แสดงว่านั่งไม่เป็นการนั่งนี้ไม่ได้นั่งเพื่อเกิด น, นิมิตเพื่อให้เห็นโน้นเห็นนี้การนั่งนี้ต้องการให้จิตว่างจิตสงบจิตรวมเป็นหนึ่งสัตว์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้ต่างหากที่ต้องการจะให้เป็นผลอย่างนี้ได้ต้องมีสติกำกับใจเป็มีพุโทโธพุโทโธอยู่กับใจโดยตลอด หรือถ้าเไม่ใช่พุโทโธจะใช้นมหายใจก็ดูนมหายใจก็อย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวนี้มิตผลก็นอนเต็มไปหมดเลยเหมือนเหมือนดวงดาวเหมือนท้องฟ้าเราไม่ต้องการให้มีดวงดาวเวลนั่งสมาธิใจเรานม่เหมืนท้องฟ้าแต่ต้องการให้มันว่างไม่ให้มีดวงดาวไม่ให้มีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมามันจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติกำกับใจไม่ให้มันผลิต ใจนี่แหละเป็นตัวเลังนี้มีต่างๆขึ้นมาแล้วก็มาหลอกตัวเองว่าเป็นรุ่งเป็นนี่ไม่มีประโยชน์กับการที่จะทำให้ใจเอนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามจากคุณสนใจอยากถามเรื่องไหว้พระในทุกๆวันพระแล้วถวายดอกไม้และผลไม้ด้วยอานิสงส์ที่ทำจะเป็นบุญติดตัวในพบชาติหน้าไหมคะ แก็จะอ่ะอะกับบุญที่ใส่บาตรกับพระสงฆ์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเราคนละอย่างครับการที่เราถวายดอกไม้ทุกเทียนดยากพานี้ปเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้มนตนนําด้วยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การกราบาพระที่แท้จริงนี้กราบเพื่อให้เราเลื่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอริยสงฆ์สาวกไม่ได้กราแบบให้กราบแบบกราบแคบบ่นั้นมีแต่กิริยาทางร่างกายกราบแล้วก็ไม่ได้พว่ากราบอะไรอันนี้ไม่ใช่ตป้เป้าหมายของการกราบพระกราบาพระเพื่อใเราเลื่อมถึงความวิเศษของพระพุทธเจ้าการหลุดพ้นจากความทุกข์ของพระพุทธเจ้า การให้เราเล่าเสียงคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาดับทุกข์กันให้เรามาปฏิบัติทานศีลภาวนากันเพื่อเราจะได้เป็นพระอริยสงสารกได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นาาการกราบนี้มีไว้เพื่อที่จะเป็นจุดประกายแสงสว่างแห่งปัญญาให้เกิดที่ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปไม่ใช่การาบอ ย, อย่อกระจกเขยยนะกราบเพื่อที่ให้เรารู้ว่าเรายังมีงานต้องทําอยู่ งานของเราก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราทําบุญทาทานเี่ยไปใส่บาตรแลให้เรารักษาศีลวันพานนี้มารักษาศีลกันเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนถ้าไม่เคยมีศีลเลยก็เอาลองรักษาศีลห้าไปก่อนถ้ารักษาศีลห้านได้แล้ววันวันพานนี้ก็มารักษศีลแปดกันเราต้องมีศีลถึงเราจะถึงไปภาวนาได้ ถ้าไม่มีสีนี้จะไม่มีกําลังส่งไปภาวนาถ้าเราภาวนาได้เดี๋ยวเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้นี่คือความหมายที่แท้จริงของการกราบพระทุกวันเพื่อเราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องปฏิบัติเราต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ ใ, ใช่กราบเสร็จแล้วก็จบแล้วก็ไปทํางานทํามาหากินเหมือนเดิม กล่าวไปก็ไม่รู้กลาบไปหาเลยกล่าวไปก็ไม่ได้อะไรการกล่าวพระนี้เป็นการให้จุดปเป็นการเตือนจิตเตือนใจให้น้อมจิตน้อมใจให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้าสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อเราจะได้บรรลุถึงผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือเรื่องของการกล่าบพระไม่ใช่กล่าว เ, เพื่อ สริมงคลกาศแล้วผีไม่มาเข้าบ้านป้องกันผีป้องกันขโมยป้องกันน้ําท่วมป้องกันไฟไหม้ไม่ใช่นะคนละเรื่องกันแต่ให้มีแตให้การยังไงถ้าบ้านมันจะไหม้มันก็ไหม้จอนมันจะขึ้นก็ขึ้นวัดมันจะขึ้นเลยแต่ว่าแต่บ้านโยมในวัดนีงเขาก็จะรูกเต็มตำรวเนจไงจอนมันจะเข้ามาขโมยเงในวัดเลยวัดยังต้องพิ่มตำรวจเลยเพิ่มเพิ่งพราะจะรูกไม่ได้ เวลาโจรมาทีก็ต้องไปเรียกตำรวจมาแล้วตำรวจก็ไปตามจับขโมยจับแล้วก็ออกไปคํงคุกขังตารางต่อไปพระนี้ไม่ใช่มีหน้าที่มาคุ้มครองบ้านเราคุ้มครองทรัพย์สมบัติเรืข่ของเงินทองของเราพระนี้มีไว้เพื่อเตือนสติเตือนใจให้เราทําหน้าที่ของชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธคืออะไรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็จะได้พ้นจากความทุกต่างๆคําถามจากคุณอนโนุชค่ะลูกชายเพื่อนอายุ17ปีป่วยทางจิตเป็นโรย้ําคิดย้ำำําทําจะทําสมาธิได้ไหนคะก็ใ้ย้ำคิดอยู่กับพูดโทเลบอกมันมันจะมืนจะคิดการคิดอยู่กัพูดโทอย่างเดียว ถ้ามันคิดอยู่ว่าพูโทโธอย่างเดียวมันก็ทําสมาธิได้น่าจะได้นะเพรามันชอบย้ำคิดก็สอนนะคิดแต่พูโทโธอย่างเดียวอยู่าคิดอย่างอื่นถ้ามันอยู่พูโทโธพุโทโธเดี๋ยวจิตก็สงบเป็นสมาธิได้เลยคำถามจากคุณก๊อฟฝึกภาวนาแล้วมันรู้สึกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากไปในที่คนมากๆรู้สึกว่ามันน่ารําคาญมากภาวนาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ถ้าใจสงบจริงมันจะเบื่อมันจะไม่มันจะรู้สึกว่าที่ไหนมีคนมากมันุ่นวายมันรบกวนใจใจนี่ความสงบของใจก็เหมือนน้าที่มันนิ่งน้ำที่นี่งมันจะสงบแต่ถ้าน้ํามีคนมาตักมาเล่นมาอาบนี่น้ำมันจะขุ่นนะมันจะมีคลื่นใจเราก็เหมือนกันถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงบใจมันจะนิ่ง ใจจะมีความสดมากพอมันต้องไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องนั้นคนนั้นคนนี้จันก็กลับเพิ่มขึ้นมาเป็นใจก็จะขุ่น ม, มัวขึ้นมามันก็เลยไม่อยากที่จะไปพุ่นวายกับคนอื่นอยากี่อยู่คนเดียวข้อถามจากคุณนายหนุ่มเวลาที่เดินจงกรมพยายามกําหนดรู้ที่ทําบริกรรมพุทโธแต่ในขณะเดียวกันเราจะมีความรู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวก้าวซ้ายขวาไปด้วย ซึ่งในขณะเดินความคิดมันก็จะพยายามแทรกเข้ามาให้เราคิดตลอดแต่ผมพยายามบังคับกลับมาที่พุโทโธและความรู้สึกตัวเวลาเข้าซ้ายเข้าวขวาถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถูกจะพุโทโธไปแล้วก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินจะซ้ายขวาก็ไม่ซ้ายขวาก็ไม่เป็นไรให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าจะดูซ้ายขวาซ้ายขวาก็อย่าไปใช้พุโทโธใช้อย่างเดียวไม่ไงั้นมันจะเรื่องมากเราต้องการให้มันมีเรื่องเดียว ถ้าจะดูดูเท้าก็ดูซ้ายขวาซ้ายขวาไนไม่ต้องพูดโทอถ้าจะพูดโทอก็ไม่ต้องซ้ายขวาซ้ายขวาไปคำถางจากคุณซิริพรช่วงนั่งสมาธิเหมือนว่าจะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวแบบนี้ตลอดต้องทํายังไงต่อคะต้องพอนอนต่อไปคำ ว, ว่าเหมือนกับความจริงมไม่เป็นอันเดียวกันเหมือนนี่เป็นความคิดของเราปรุงแต่งขึ้นบ้าหลอกเรา มันอย่าไปสนใจมันเหมือนจะรวมแต่มันยังไม่รวมก็ต้องภาวนาต่อไปถ้าเราพุโทโธอยู่ก็พุโทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูต่อไปอย่าไปแล้วอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดว่ากองจะรวมนั้นนะกำลังจะรวมแล้วน ะ, ะวนะอย่างนี้มันจะไม่มีวันรวมได้ต้องไม่รู้ไม่ชี้ไม่ต้องไปสนใจถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไหนก่อที่ปิดตาแล้วเดินไหนไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวมันชนอะไรมันก็รู้เองนแต่ถ้ามันนั่งคิดจะชนอะไรเปล่าจะชนอะไรเปล่ามันก็เลย ไม่กล้าเดิน ม, มันก็จะไม่ประชันถ้าอยากจะให้มันรวมก็อยากไปกลัวอย่าไปคิดว่ามันจะรวมถ้าคิดว่ามันจะรวมแล้วมันไม่รวมคำถามจากคุณจิตรดาใส่บาททุกวันเป็นสเสบียงชาติหน้าใช่ไหมคะาการทาบุญก็เป็นการเหมือนเอาเอาเงินทองไปเก็บไว้ในในธนาคาระพอชาติหน้าเรากลับมาเกิดนั่นก็เหบอกได้ คนที่ทําบุญชาตินี่ก็กลับมนเกิดชาติหน้าก็จะไม่ยากจนมีพ่อแม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รั่งรวยหรือไม่เช่นนั้นก็เวลาทํามาหากินก็หากินได้อย่างง่ายดายค่องแคล่วว่องไวเงินทองไหลมาเทมาเพราะอาศัยบุญเก่าที่ได้ทําไว้หมดแวค่ะหมดแล้วหรือไขอขอแยกถามครับเออได้ยินที่ ศาราจารยบอกว่าเวลาเราตายเนี่ยก็คือตายแต่กายแต่ว่าจิตไม่ได้ตายก็คือแล้วแต่ว่าจะไปเสวยผลบุญแบบนั้ทีนี้จิตลักษณะหนึ่งก็เคยได้รับการอธิบายว่าจิตเนี่ยเไม่มีตัวตนเกิดจากอยู่ตลอดเวลาทีนี้ฟังดู่มันเกิดก็เหมือนแต่ว่าจะขัดแยง้งกันนะครับอยากให้ใาสตรารช่วยอธิบายแล้วก็ลองขัดแย้งกันรึเปล่า คิดว่าน่าจะเป็นการอธิบายในมายะที่ตัดกันัแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เพราะว่าจิตกระดดำไม่ใช่ตัวจิตกะเนีเพราะหมายถึงอารมณ์ในจิตแต่บางทีคนไม่เข้าใจเช่นอารมณ์ในจิตเกิดดำเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเนี่ยเขาอารมณ์ในจิตมางทีเขาเล็กสั้นๆว่าจิตความหมายก็คืออารมณ์ในจิตดีใจเสียใจโกรธเกลียดเนี่ยมัน มันมันเป็นตลอดเวลาเป่ามันโกรธเลี้ยเดียวเลี้ยมันก็หายมันเปลี่ยนเลี้ยเดียวเลี้ยมันก็หายเลี้ยมันก็กลับมาใหม่ตอนนี้ว่มันเกิดดับเกิดดับแต่ตัวจิตเองมันไม่เกิดดับเกิดดับเหมือนเหมืนเหมือนทีวีเนี่ยภาพจอนมันก็เกิดดับเกิดดับใช่ไหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวทีวีมันเกิดดับเปล่าตัวทีนีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไตัวจิตนี่มันก็เหมือนเดิมแต่ตัวที่อารมณ์ที่อยู่ในจิตน่มันโกรธดับเกิดดับ พอไม่มีร่างกายตัวนี้มันก็เลยไปหาร่างกายใหม่ได้เองหาพื้นการกร่อน้นึ่นะครับอยากทราบว่า เ, เวลานั้งสมาธิและเจตคุกเข้าไป้งนนเนี่ยครับเราควรที่จะกดทนหรือว่าคือจะได้ยินเราสำแนวแนวทางห่งก็ควรที่จะนั่งสู้ไปให้จนถึงที่สุดแ อ, อีทางนึงก็คือว่า เ, เราไม่ได้จะฝึกขันติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สมบูข้อเปลียนยนเียบหดไม่ทราบว่าควรจะใช้แนวทางไหนดีครับ เปลี่ยนทำไมล่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรานั่งแล้วเจ็บปวดคนไม่ไหวคนนี่นจะสู้ไปถึงระดับไหนหรือว่าถ้าเราสงบแล้วถ้ทวาทนไม่หวมันก็จะทุบมันจะไปสู้ได้ไตอนไม่ไหวมันก็ยอมแพ้ยมันก็ไม่สู้เราต้องศึกษาวิธีว่าเราจะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างไรวิธีที่อยู่กับทุกขเวทนาได้ก็คือจิตเราต้องไม่ไปไปยุ่งกับมัน พอเจ็ไปคิดถึงความเจ็บนี่แต่ดังว่าเริ่มไปยุ่งของมันแล้วพอไปคิดถึงว่าเจ็บนันก็อยากจะให้หายใช่ไหมพออยากมันก็ยิ่งมันก็มีความเจ็บเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เจ็บที่ร่างกายแต่เจ็บที่ใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ความเจ็บเพิ่มขึ้นเราก็ดึงใจกลับมาอย่าไปอยู่ให้มันอย่าไปอยู่ที่ความเจ็บใช้สติดึงใจใช้พุทโธดึงมาพอมันเจ็บก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธรไป อย่าไปรับรู้ความเจ็บอย่าไปสนใจกับความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ดีอาจจะเบาลงเพราะจิตเราไม่ผลิตความเจ็บเพิ่มขึ้นมาด้วยความอยากเพราะมันอยากไม่ได้ตอนที่พอเราไม่ได้คิดถึงความเจ็บล้าก็จิตก็จะสงบแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้นี่วิธีแรกวิธีที่สองเป็นวิธีที่แก้ปัญหาอย่างถาวรก็คือต้องใช้ปัญญา อยากว่าจิตเป็นอย่างหนึง่งเวทนาเป็นอย่างหนึง่งกายเป็นอย่างหนึง่งจิตเป็นเหมือนคนดูเวทนาเป็นเหมือนคนแสดงเหมือนภาพยนตร์เนี้เราดูภาพยนตร์นี้ทํำไมจิตเราต้องไปตื่เต้นตกใจไปกับภาพที่เราดูด้วยทั้งที่มันไม่มามามา ม, ามีมีผลอะไรกับตัวเราเลยแต่ทำไมใจเราไปตื่เต้นตกใจหวาดเสียวไปกับภาพที่เราเห็นเพราะเราไม่มีสติ เราปล่อยให้ใจไปติดอยู่กับภาพคิดว่าเราเป็นภาพไปนัก็เหมือนกันเราเราปล่อยให้จิตไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บเราก็เลยไปเจ็บกับร่างกายทั้งๆที่เราไม่ได้เจ็บเราเป็นคนดูร่างกายเจ็บเราเราสอนจิตให้รู้ว่าเราจิตเป็นอะไรกันแน่จิตไม่ได้เป็นร่างกายจิตไม่ได้เป็นคนเจ็บความที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายก็ไม่เดีอดร้อนเขาไม่ได้บ่นว่าเขาอยากจะขยับ คนที่อยากจะขยับก็คือจิตดงั้นจิตไม่ต้องไปกลัวอยู่กับมันไปถ้าสอนจิตจนเข้าใจจิตมันก็จะมันก็ยืยอยู่กับความเจ็บได้ไม่กลัวความเจ็บเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เจ็บตัวที่เจ็บก็คือร่างกายอาจารย์นะมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีคําถามเข้ามาไหมคำถ า, า, าหมหมาอวดแล้วเลย อันนี้คงจะ๋ยวนั่งคิดก่อนับจะพูดอะไรเวลาที่เวลาทางบี่ีวีเขาบอกว่าสัญญาณดีขึ้นดีขึ้นนะครับคือปิดดีจิเตอร์แล้วดีขึ้นกระทำนี้แจ้งให้ทราบเลยว่าตอนนี้มีการนำ <c oughs> การถ่ายทอดสมนี้ไปไป ไปเผยแพร่ในเคเบิลทีวีที่ที่พัทยาช่องหนึ่งใช่ไหมับช่องหนึ่งของอะไรบางละมุงเคเบิลใครที่อยู่แถวนาเกือเขาจะเซอร์วิสแถวบริเวณนาเกลือใครที่ใช้บริการเคเบิลบางละมุงเคเบิลเดี๋ยนี้เขาเปิดช่องธรรมะช่องหนึ่งขึ้นมาตลอดเป็นยี่สี่ชั่วโมงเลยแหลอ ตอนนี้เขาถ่ายทอดสดพอผ่านไปแล้วเขาก็จะเอาที่ย้อนหลังมาเปิดต่อถ้าใครเห็นใครรู้ก็บอกกันก็ได้เผื่อคนที่อยากจะดูผ่านทางเคเบิลก็จะได้ดูได้เพราะแต่ละคนอาจจะมีสื่อไม่เหมือนกันคนมีเคเบลิลไม่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเลือกทางทางดูได้หลายทางด้วยกัน อต้องทมจากคุณบุญช่วยนั่งสมาธิแล้วประมาณสิบนาทีมีอาการเหมือนเหมือนขึ้นชนที่หน้าผากหน่วงๆจะปวดก็ไม่ปวดทุกครั้งเรียกว่าปุงแต่งไหมครับก็จะปรุงแต่งไม่แต่งไ ม, ไม่ไม่สำคัญนะสำคัญอย่าไปสมใจมนะันแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธนะให้กลับมาภาวนาต่ออะไรจะปรากฏาขึ้นมาก็ไม่องไปสนใจนะให้อยู่กับพุโทโธไปด้วยอยู่กับลมไป แล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นการเป็นเครื่องภาวนาแเรวก็ใช้อย่างนั้นต่อไปทําไปจนกว่ามันจะสงบนิ่งแล้วไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสาบาย อ, อกสาบายใจไม่อยากจะไปทาอะไรอยากจะนั่งเฉยๆอย่างนี้ไปเนื่ยเนี่ยตัวไ่ร้อาเลยกลัวกวักวตัวนิดเดียว <laughs> คําถามอะไรดับมีคําถามเดียวระยะฐานเรื่องคืนคือ น, นะครับเคยสงสัยว่าพวกสังฆท า, านเรียนตามวัดเนี้่ครับหรือดอกไม้เรียนเนี่ยนิงนสงเหมือนกันไหมครับส้าเราคนให้เหมือนกันเนี่ยคนให้ก็เสียเงินเท่ากันส่ว น, นทางวัดนี่ก็แล้วแต่ก็จะ เ, าเอาไปทาอะไรบางทีของสังฆทานนีทนน่ทางวัดเองใช้ไม่ได้เพราะมันมากเกินไปของซ้ํซ้ำซากซากเนี่ย ถ้าธางวัดเขามีเจตนาที่ดีเขาก็เอาเอ า, เอาของสังฆท า, านที่มันสร้างๆน้ม่มาอำนวยคามสะดวเอามาให้คนญาติโยม ท, ที่ที่บางทีจะมาถวายสังฆท า, านเลาวไม่ได้เตรียมของมาก็ทําแล้วก็เตรียมของสังฆท า, านไว้ให้เจตนาก็าคือญาติโยมจะได้คาบุญได้เสียสลัเงินทองซื้อของที่จําเป็นให้กับพระแต่ของที่จําเป็นให้กับพระตอนนี้มันมันมันไม่จําเป็นแล้วเพราะมันมากเกินไป เกเลยเอเงินที่ไปอเอาเงินที่ถวายสังฆทานเนี่ยไปซื้อของที่จาเป็นที่ญาติโยมไม่รู้เช่นยองทีกุฏิต้องซ่อมอย่างเงี้ยนะประปาท่อแตกร่วเต็มมันก็มีค่าใช้จ่ายญ ย, ยมเราถวายแต่สังฆทานก็ะป๋องสังฆทานเนี่ยมันเอาไปจ่ายค่าซ่อมซ่วงไม่ได้เขานะเดี๋ยวช่างมาอะอเอ า, เอาๆๆๆๆสังฆทาไปสืบกระป๋อได้ไํารัค่าซ่อมซ่วมมันไม่ได้หรอก แต่ว่าก็แล้วอาจจะจาเป็นว่าจะต้องใช้วิธีเรียนเทียนของสัมปทานที่ญาตโยมมาถวายที่พระไม่ได้ใช้เอามาขายให้ญาติโยมพูดง่ายๆเราญาติโยมก็เหน่วยกับซื้อทางเที่ยไปซื้อแม่ค้าซื้อกับวัดดีกว่าไม่มีแม่ค้าเขาจะถ้าไปซื้อกับแม่ค้าแม่ค้าเอา ก, กําไรใช่ไหมซื้อกับทางวัดเนี่ยมันก็เงิ น, นเข้าวัดทั้งหมดนะถ้าถ้าเป็นวัดที่ท่านมีความจําเป็นต้องการใช้เงิน แล้วท่านมีของสังกระทางเดี๋ยวเาจะไปบอกญาติโยมว่าไม่เอาสังกระทางก็ไม่น่าจ้เอาเงินเดี๋ยวก็หาว่าน่าเรื่องหนิเดี๋ยวจะหาว่าอยากจะได้เงินหนินั่นก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะได้เอามาจ่ายค่าใช้จา่ายในวันมันมีค่าใช้จา่ายเยอะแยะค่าน้ําค่าไฟค่าเรือน่าซ่อมแซมอะไรต่างๆเดี๋ยวบางทีก็หลังคาวลวดคำเรื่องแตกเดี๋ยวก็ท่อเต็ม ช่วงเต็มอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราจะเอากระป๋องสังฆทานไปจ่ายเขาเขาก็ไม่เอาเพราะวาจะเอาเงินท้าวัดก็เลยก็เลยเอาของสังฆทานนี้สําหรับคนที่เขาไม่ได้ซื้อมาแล้วก็อยากจะถอยสังฆทานจะบอกเขาว่าถอยเงินเป็นสังฆทานหนึน่งก็ได้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ขังอีกเพราะเขาคิดว่าสังฆทานนี้ต้องเป็นกระป๋องกระปองที่เก็งเหลือง แลนมีของเขามีลายกระป๋องหนึ่งกระป๋องอยู่แต่มีตายถิ่วพันหนึ่งันมียาถี่วพันหลอดเล็กๆหนึ่งดมีเทียนเทียนสองุมีเทียนสองนนันมีทูปหนึ่งอันของพวกนี้มันไม่จําเป็นนะมันของเสียซึ่งมาแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่มันก็มีราคาต้องเสียค่าใช้ใจ่ายก็เลย ก็เลยวางวัดเขาก็เลยใช้ใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการหาเงินเข้าวัดแต่ถ้าเป็นทางวัดสายปฏิบัตินี่จะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะไม่มีน้ำไม่มีไฟเนี่ยมือนเขานี่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาท่ออัไรไม่แตกเก็บยายตามสตินี้จะมีแท้งนองน้ำฝนก็ใช้าาน้ำฝนไปใช้ตามมีตามเิดใช้กันแบบประหยัดประหยัด พอถือถ่ายพออยู่กันจะได้โดยทั่วแน้งที่ญาติโยมใช้นี่ก็เป็นน้ําต้นทุกข์น้ำขึ้นมาจาก้างล่างจะให้รถพอดีเจ้าหน้าที่ป่าม้าเขามีรถบรรทุกน้ําเขาก็บริการมาเติมน้ําให้ตลอดเวลาพอน้ําหมดเขาก็มาเติมให้ญาติโยมมันจะไม่รู้เที่ยวกัะ น, น้ําต่อป่าเพราะว่ามันมีท่อน้ําแต่ความจริงมันท่อมาจากถังถังเก็บน้ําที่อยู่ข้างบน ที่นืที่สูงกว่าห้องน้ําเราทําท่อทำทางไว้ตรง น, นั้นแล้วก็สูบน้ําไปใส่ในทาม น, นั้นแล้วก็ถัดเอาท่อเดินท่อเข้ามาในห้องน้ำํำคนไม่รู้ว่าที่เราบนนี้ปะปานมีน้ําะเราแต่งองที่มันเป็นน้ําที่เราต้องบรรทุกขึ้นมาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเยเพราะว่าทางป่าไม้เขาก็ยินดีบริการรับใช้พระเขาก็ถือว่าเป็นการทาํำดีๆเข้าไปดัง อยู่ที่ข้างบนนี้จะไม่ค่อยมีค่าใช้จา่ายมากเพราะเราไม่มีถาวรแล้วัาถกอะไรไม่ต้องคอยซ่อมคอยอะไรไม่มีค่าท่าน้ำข้าไฟมีแ็่ทางเฉพาะบางทีก็ช่วยค่าน้ำมันให้กับทางป่าไม้เขาก็พอ<ๆ>ดีหมดเวลานะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิ่นิดพี่จมนาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาธุ